ศาสนาหรือศิลธรรมมีอยู่ทีอยู่ในที่ใดที่นั้นร่มเย็ยนมีอยู่ในบุคคลใดผู้นั้นอารมณ์เย็ยนศาสนาจิ้งเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับโลกที่ต้องการความร่มเย็ยนเป็นสุขเพียงความต้องการความสุขความเจริญ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 ที่รับที่แก่คนที่มีความหิโ่โอตปะกละอาจุะุ่มกลัวต่อความผิดอยู่ภายในใจแล้วพวกนั้นย่อมไม่กล้าจะทำความเดือดร้อนแก่ตนและผู้อื่นได้ในศาสนามีอยู่ในจิตใจของกลุ่มชนในกลุ่มชนนั้นก็มีความสงบร่มเย็ น, นไม่ค่อยมีเรื่องมีราว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 เราก็ไม่กระทบกระเทือนผู้อื่นเพราะต่างคนต่างปกครองตนเองด้วยศีลธรรมอันดีมาเทวีท <c oughs> ่านกล่าวไว้การใดที่ศาสนาไม่มีเรือยาใดที่ไม่มีศาสนาเลยระืยาะนั้นท่านว่าเป็นปืนเป็นไฟเป็นหมดทั้งๆั้งที่มนุษย์ก็เป็นมนุษย์แต่ความเดือดร้อนวุ่นวายมีมาก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 เขาก็มีคุณค่าของเขาในความเป็นอยู่หากหาชีมิตหาชีวิตไม่แล้วไม่ว่ า, าสตัตว์ว่าบุคคลก็ต้องตายหมดคุณค่าหมดราคาไปในขณะนั้นเช่นเดียวกันธรรมของพระพุทธเจ้าจึงแผ่กระจายไปทั่วทุกสัตว์อันดาที่มีวิญญาณคลองให้เห็นความสำคัญไปด้วยกันทั้งนั้นไม่เบียดเบียนไม่ให้ทำลายไม่ให้ทำความกระทบกระเทือนซึ่งกันและกันตลอดทุสมบัติ สิ่งของมีมากน้อยก็ถือเป็นความสำคัญเช่นเดียวกับคนคือเป็นความสำคัญสำหรับสมบัติของเขาเช่นเดียวกับเราถือเป็นความสำคัญในสมบัติของเราในสมบัติของเรามีความสำคัญต่อเราเมื่อถือกันเห็นมีความรู้ความเห็นอย่างนี้แล้วการกระทบกระเทือนการโจกห่ักต้นสะดมหรือการเบียดเบียนทาลายกัน ก็เกิดขึ้นไม่ได้ที่รับที่แจกคนที่มีความที่โอตปะแลระอาเดุ่กลัวต่อความผิดอยู่ภายในใจแล้วตัวนั้นก็ไม่กล้าจะทำความเดือดร้อนแก่ตนและผู้อื่นได้เมศาสั่นนมีอยู่ในจิตใจของกลุ่มชนในกลุ่มฉนนั้นก็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 เช่นอย่างชีวิตเขาก็มีคุณค่าของเขาในความเป็นดุหากหาชีวิตหาชีวิตไม่แล้วไม่ว่าสัตว์ว่าบุคนก็ต้องตายหมดคุณค่าหมดราคาไปในขณะนั้นเช่นเดียวกันธรรมของพระพุทธเจา้าจึงแผ่กระจายไปทั่วทุกสัตว์บรรดาที่มีวิญญาณครองให้เห็นความสำคัญไปด้วยกันทั้งนั้น ไม่เบียดเบียนให้ทำลายไม่ทำความกระทบขัดเทือนซึ่งพันแกันถ้าถึงสมบัติสิ่งของมีมากน้อยก็ถือเป็นความสำคัญเช่นเดียวกับคนคือเป็นความสำคัญสำหรับตัวบัตรของเขาเช่นเดียวกันเราถือเป็นความสำคัญในสมบัติของเราอยู่สมบัติของเรามีความสำคัญต่อเราเมื่อถืออัน เห็นมีความรู้ความเห็นอย่างนี้แล้วการกระทบกระเทือนการโฉลกต้นสะดมหรือการเบียดเบียนทาลายกันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะสาเหตุที่จะเกิดขึ้นเราก็ทราบแล้วว่าไม่เห็นความน้คาคัญของคนอื่นเห็นแต่ความน้อารัองตัวของตนถ่ายเดียวที่จะถูกหรือขึดนั้นไม่คำหนึ่งนี่เราพูดถึงภาพทั่วไป สำหรับศาสนามีความสำคัญต่อโลกที่อยู่เป็นหมู่เป็นคณะให้เห็นความสำคัญของกันและกันทีนี้ยน่นเข้ามาถึงตัวของเราเราก็ทุกคนก็เข้าใจแล่แน่ใจว่าตนมีความรักตนมีความสงวนตนมีความสำคัญแต่สิ่งที่จะนามาเพื่อตัวเองนั้นไม่ทราบว่าถูกหรือผิดเพราะความอยากความต้องการนั้นมีอำนาจ เหนือกว่าความทำที่ว่ารักตนหรือสงวนตนจึงเป็นเหตุให้ทําความเชั่วหายแต่ตนได้จึงต้องอาศัยหลักธรรมเป็นเครื่องนาเนยให้เหมาะสมกับคําที่ว่ารักตนปฏิบัติบํารุงรักษากตนด้วยความถูกต้องโดยอัดโดยธรรมก็จะเป็นไปเพราะความสุขความจเจริ์เแต่ตนสมกับคําว่ารักตนสงวนตนแท้ดังเราทั้งหลายที่มาประพฤติปฏิบัติสิ่งธรรมอยู่เวลานี้ก็คือความรักตนโดยธรรม คือเป็นความถูกต้องให้ถือ๋ยวก็เรื่องกิจบ้านการเรือนเราก็ทราบด้วยกันทุกคนนั่นเป็นงานประเภทหนึ่งผลอย่างหนึ่งที่จะนำมาช้าในทางหนึ่งทางด้านจิตใจที่เป็นงานสำคัญอันจะก่อให้เกิดพลังเกี่ยวกับกิิการงานภายนอกก็ต้องเป็นความต้องการประเภทหนึ่งเช่นเดียวกันแต่เพราะอย่างยิ่งเป็นในวัยของพวกเราซึ่ง ควรอย่างยิ่งแล้วก็ได้เคยเลือกเล้นได้เคยบวกโลกมาเป็นเวลานา น, านเกี่ยวกับเรื่องชีวิตจิตใจได้ฐานโลกมานานพ อ, อทราบเรื่องหลักเราได้ดีทั้งภายนอกภายในจิงต้องมีความสนใจในอัตในธรรมที่จะเป็นสาระสั้มันแก่ตนเพื่อเป็นต้นคุณในวาระต่อไปอีกตลอดถึงปัจจุบันในอนาคตไม่มีความบกพร่องดังนั้นจึงต้องในอุตสาหอบรมบาเพ็ญคุณงามความดี มีกิตตภาวนาเป็นต้นซึ่งเป็นหลักใหญ่ของศาสนาหรือเป็นหลักหลักใหญ่ของการรักษาตนการส ม, สมกับการรักตนการสงวนตนเรียกว่าเป็นการบำรุงที่ถูกต้องหรือถูกทางถิ่ให้จิตได้รับผลเป็นที่พึงพอใจจากการบำเพ็ญกิจตภาวนาอาหารของจิตก็ได้แก่ธรรมธรรมจะเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุใดก็เกิดขึ้นด้วยการบ ำ, บำรุงให้ถูกตัดถูกทำเช่น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 ึไปโดยลาดับซากพ่อภาชนะคือจิตใจของเราให้มีความสะอาดยิ่งขึ้นเันเหมาะสมกับความดีทั้งหลายที่ได้สร้างไว้มากน้อยมีจานวนเท่าไหร่ทั้งด้านทางกายทางวาจาและจิตใจที่ไดคิดในทางที่ดีแล้วใจเัวเองเป็นผู้เป็นภาธนะสำหรับรับความดีทั้งหลายรวมลงแล้วเรียกว่าอาหารของใจ ได้แก่ความดีการปฏิบัติภาวนาเมื่อใจยุ่งเหยิงวุ่นวายนั่นคืออาหารที่เป็นพิษต่อใจตัวเองจึงต้องหาวิธีซากรอกหาวิธีแก้ไขดัดแปลงให้ได้อาหารที่ดีขึ้นมาคือความถูกต้องดีงานนั่นแหละจะเป็นผลให้เกิดความอาหารที่ดีขึ้นมาภายในจิตใจคือมีความสงบเย็นใจไปโดยลํำดับลําดับเมื่อได้รับการบํารุงรักษาจากเจ้าของอยู่ จิตจะต้องมีความเยือกเย็นจิตที่มีความเยือกเย็นโดยลำดับนี่แหลคือจิตมีธรรมในใจก็เรียกมีอาหารประจําใจก็เรียกนับตั้งแต่ส่วนน้อยไปถึงส่วนมากจะต้องปรากฏขึ้นที่ใจแล้วจะติอยู่ที่ใจธาตุนาคือใจก็ฟองใสเข้าโดยลำดับท่านเป็นสอนให้ภาวนา คำว่าภาวานาไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องใหญ่โตมากบรรดางานทั้งหลายที่เราเคยผ่านมาเพราะงานนี้เป็นงานประจักษ์ยู่กับใจงานที่เราเคยทำทั้งหลายทาแล้วก็ ผ, ผ่านไปผ่านไปได้มาแล้วก็หายไปสูญไปหายไปได้มาจ่ายไปได้มาหายไปแต่ ง, งานทงางภายในใจเฉพาะอย่างยิ่งคือจิตตะภาวนาเป็นที่รวมแห่งความดีทั้งหลายไมได้หายไปเช่นอย่าง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 จิตจะเศร้มองขนาดไหนเคยเศราหมองมานานเท่าไหร่แต่มืดมิดปิดตาขนาดไหนก็พ้นความสว่างอย่างที่เราบำเพ็ญอยู่โดยลําดับลําดับไปไม่ได้จะต้องปรากฏเป็นความสว่างเป็นความสงบเย็นใจขึ้นมาในวาลันหนึ่งซึ่งเป็นผลเห็นและสว่างสวัยขึ้นมาเรื่อยๆแล้วปรากฏอยู่ที่จิตนี้ด้วยไม่ไปปรากฏอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนก็เย็นอยู่ที่ไหนก็สบาย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 ขณะที่ปลวยงานปล่อยจริงๆก็มีปล่อยขาดได้หมดไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือแต่ความรู้ล้นวนที่เป็นของอัศจรรย์เท่านั้นเมื่อจิตเป็นอยู่เช่นนั้นแล้วเราอย่าไปรบกวนหรือไปแตะต้องด้วยอาการใดๆทั้งหมดปล่อยให้อยู่ตามสภาพของกิจจนกระทั่งกิจพอแต่กาลเวลาแล้วจะถอนตัวขึ้นจะมีความคิดความปตุ้งขึ้นมาเองแล้วก็ใช้งานในทางบ้านที่เป็นประโยชน์ ได้แก่พิจารณาทางด้านปัญญาพิจารณาพ้นคว้าในสิ่งที่มีอยู่กับเรานี่แหละไม่ใช่พิจารณาอะไรพิจารณาออกข้างนอกก็เป็นเรื่องเหมือนกับภายในพิจารณาภายในก็เหมือนภายนอกประสัดประสานกันได้ทุกสัตว์ทุกขวดไม่มีอะไรที่จะผิดเปลี่ยนแตกต่างกันคําว่านิจังทุกขังอตากระเทือนทั่วโลกธาตุนะแต่ไม่กระเทือนอยังไงความจริงล้นล้วนทางนั้นเป็นแต่เพียงว่าจิตทของเราฝืนคติธรรมนา จึงก่อทุกข์ขัตตุลเรื่อยเหตุที่จะฝืนธรรมดานั้นก็เพราะอำนาจของวิเลพันธาให้ฝืนไม่ใช่เราตั้งใจจะฝืนเองวิเลจึงเป็นภัยต่อจิตใจของสารโลกตลอดมาไม่ว่ามากว่าน้อยมีมากมีน้อยอ ย, ย่างไรต้องเป็นค่าศึกอยู่นั้นพระพุทธเจ้าจึงถอนให้สอดให้ถอด ใ, ให้ถอนสิ่งที่เป็นภัยออกมีใครที่จะสอนดีสอน ด, สอนดีสอนละเอียดสุกคุ้มลำพินาภาพสอนโดยถูกต้องมั่นยํายิ่งกว่าพระพุทธเจ้าไม่มีในสามโลกธาตุนี้ ท่านกินควรเป็นศาสดาของโลกได้โดยไม่ต้องสงสัยดังทำทั้งกล่าวไว้ว่าสัทถาเทพมนุษสารน่ะเป็นครูของเทวดาแลมัมโนตั้งหลายนะเราเพียงจะเป็นครูสอนเรายังไม่ได้พระพุทธเจ้ า, จานั้นสามารถเป็นครูของโลกทั้งสามได้อืเพราะความถูกต้องแน่นยังแห่งโอวาทของพระองค์นั่นแหละเราเชื่อพระพุทธเจ้า จะยากลําบากตามอุบายวิธีที่ท่านสอนไว้ก็นาํามาเพื่อปฏิบัติเพื่อแก้กิเลสซึ่งเป็นตัวภยัยต่อจิตใจของเรากิเลสกลัวแต่ทำเท่านั้นไม่กลัวอย่างอื่นกิเลสกลับทำเป็นฆาสึกกันเพราะฉะเราต้องนําสิ่งที่เป็นฆาตศึกต่อกิเลสมาสู้กับกิเลสสิ่งใดกิเลสชอบมันก็เป็นการเพิ่มกิเลสสิ่งใดกิเลสไม่ชอบมันก็เป็นการต่อสู้กัน กำลังสติปัญญาศรัท ธ, ธาความเพียรของเรามากที่เล็ก็อาจพับไปโดยลําดับลำดับแล้วขาดสลายไปเห็นไปจากภายในจิตใจนี้อีกด้วยเพราะการภาวนาจึงเป็นการประกาศตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเวลานี้จิตของเราเป็นอย่างไรมีความสุขความทุกข์ความมุ่งทัน่นลำคาญมากน้อยเพียงไรนี่ดูจุดสําคัญเนี่ยกองแห่งความวุ่นวายก็อยู่ที่นี่โรงงานแห่งความวุ่นวายก็อยู่ที่นี่มันปิดขึ้นทุกวัน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 ขณะที่เราฝืนทมก็เป็นขณะที่าศาสนาอาภพับไปแล้วจากตัวของเราขณะที่มีความเจริญรุ่งเรืองพนาจิตใ จ, จรักศีลรักธรรมรับความภาคเพียรก็นั่นเป็นขณะที่าศาสนามีอยู่ภายในตัวของเราเราจะได้รับความร่มเย็นเป็นถูกไปลำดับลำดับคำว่าสมาธิ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 องของสมาธิแท้เป็นอย่างหนึ่งอันหนึ่งเราจํามาคือสมาธิเป็นก็นได้ความจํารู้ได้ความจําสมาธิสิ่งที่เป็นขึ้นภารกิจคือความสงบยอกเย็นนั่นเป็นความจริงปรากฏขึ้นกับเราเราทําความเข้าใจว่าอย่างนี้นเพียงสมาธิคือความสงบร่มเย็นนั้น ถ้าธรรมดาแล้วก็เรียกว่าพออยู่พอกินไม่กระวนกระวายไม่ราสามมาสายไม่เดือดร้อนวุ่นวายจิตเย็นสบายทําหน้าที่การงานอะไรก็เย็นสบายอยู่ปกติก็เย็นสบายนี่เรียว่าพออยู่พอกินแต่เราเอกเพียงแค่เราผู้มุ่งเพียงแค่นี้ก็พออยู่พอกินแต่คนเราจะมามุ่งอะไรเพียงแค่นี้เราคนทลายกษัตริย์เราต้องพยายามคืบขึ้นโดยลำหนักสมบัตินี้มีคุณค่ามากขนาดนี้ อันนั้นมีคุณค่ามากขนาดนั้นอันนั้นมีคุณค่าสูงโดยลําดับดับขนาดนั้นใครจะมายอมอยู่กับสมบัติที่มีคุณค่าเพียงแค่นี้ก็ต้องขยิบขึ้นไปขยิบขึ้นไปจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งสมบัติที่มีคุณค่ามากเรื่องธรรมก็เหมือนกันสมาธิสมบัติแล้วนสมาธินั่นก็มีถึงสองสามขั้นของสมาธิเราก็ต้องขยิบเพราะอันนี้มีคุณค่าขนาดนี้มีความสุขแค่นี้ขยับเพ้่ไปถึงสมาธิแบบ ขนาดนั้นมีความสุขขนาดนั้นสมาี่ขั้นนั้นมีความสุขขนาดนั้นนะ่ะแล้วเก้าทางปัญญาปัญญาเป็นการบุกเบิกบุกเบิบกบี่เรกอาสวัที่หมอบหรือที่สงบตัวอยู่ภายในจิตใจหรือเกี่ยวเนื่องกับสิ่ ง, งใดแยกแยะออกให้เห็นชัดเจนด้วยปัญญาธรรมรจิตที่เป็นสมาธิจะมีความแน่วแน่หรือมีความรู้อยู่โดยลําพังตัวเองเท่านั้นประหนึ่งว่าไม่เกี่ยวข้องกับอะไรไม่ติดข้องกับอะไรทั้งนั้นมีแต่ความรู้ล้นล้วนอยู่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 นอกทางนั้นมันออกคว้าอานุ่นอันนั้นกลัมาเป็นของเราอันนี้ก็ับมาเป็นของเรามันคว้าไปหมดยืดไปหมดเราไม่รู้พอก้า 9, ทางด้านปัญญาแล้วที่นี่ก็ค่อยทราบขยายดูรูปภายนอกรูปภายในดูสมบัติพระสถานต่างๆอันนั้นเป็นนั้นอันนั้นเป็นนั้นแยกเห็นเห็นตามเป็นจริงต่างอันต่างอยู่ถอยตัวเข้ามาด้วยความเข้าใจแล้วเข้ามาพิจารณาส่วนร่างกายก็ดู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 ไปด้วยอุบายต่างๆดังที่กล่าวมานี้เตอ้ยก็ให้ถอนอุปทานออกมาเรื่อยๆรู้มากน้อยเพียงไรอุปทานจะถอนตัวออกมาเรื่อยๆนี่อุบายของปัญญาเมื่อปัญญาได้พิจารณาดัางนี้ความสงบของจิตยังมีแคล้วคลาออกออ ก, ออกไปกด้วยอำนาจของปัญญาเข้าใจแล้วเข้าใจ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 ครั้งหนึ่งครั้งเดียวกี่ตลบทบตวนไม่สําคัญสําคัญที่ความชํานิชานานสําคัญที่ความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนในธาดในขันองตนเมื่อเข้าใจเต็มที่แล้วระหว่างการพิจารณาคือระหว่างธาตุขันกับจิตนี้จะปล่อยวางกันอันใดที่พิจารณาเข้าใจแล้วจิตจะไม่ไม่ยอมไปพิจารณาอีกเพราะพอแล้วนะ่ะทราบภานจิตพอแล้วด้วยปล่อยแล้วด้วย อันใดที่มีความสัมพันธ์หรือสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับจิตมีส่วนไหนมั่งจิตมีความพอใจที่จะพิจารณาในส่วนไหนมั่งพึงทราบว่าส่วนนั้นยังไม่เข้าใจา ก, ก็เหมือนกับไฟที่ไหม้ไปตามเชื้อเชื้อมีที่ไหนไหม้ติดตามไปเรื่อยๆจนกราทั่งหมดเชื้อถึงถึงจะหมดไฟนี่อาการของปัญญาที่จะพิจิตริจารณาสอดส่องไปตามสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตนซึ่งยังถอนไม่ได้ก็เป็นเช่นเดียวกัน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 อาการหนึ่งหนึ่งก็เป็นอาการของเขาอยู่แล้วโดยสมบูรณ์แล้วเราเอะไรไปแทรกเขาอีกแทรกว่าเป็นเราแทรกก็เป็นของเราอาการนั้นเป็นเราอาการนี้เป็นเป็นของเราไม่ละอายเขาบ้างเหรอเนี่ยถ้าเป็นคนเป็นความฉลาดแล้วจะถอนตัวออกมาทันทีไม่อาจเอื้อมไม่ทะลึง่งในสิ่งที่เป็นความจริงของเขาโดยสมบูรณ์อยู่แล้วนะนี่คือปัญญาเวทนาก็มีความสมบูรณ์ของเขาอยู่แล้วว่าเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาเนี่ย สุข ก, ก็สับแต่ว่าสุขทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามหลักธรรมชาติของตนและไม่ทราบความหมายของตนด้วยเราเป็นผู้ทราบให้แล้วเราเป็นผู้ไปให้ความหมายแทนที่เราเป็นผู้รู้แล้วจะไม่ง่ก็กลับอาศัยความรู้นั่นแหละเป็นความหลงของตนเองเข้าไปยึด อ, อีกนี่ยิงต้องอาศัยปัญญาซอแรกเข้าไปเพื่อให้เข้าใจแล้วถอนตัวออกมาจากทุกเวทนานั้นนี่ สัญญานั่นคกอความหมายหมายนั้นหมายนี้จำนั้นจำนี้แล้วถือความจำเป็นตนถือความจำเป็นสมบัติของตนออว่าตนจำดิบจำดีอะไรต่างๆนานาเลยถือเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาทั้งๆที่มีแต่ลมแต่แรงนี่คือความสำคัญของจิตเราก็ให้ทราบตามความจำวันนี้ทราบแต่ว่าจำจำแล้วก็ลืมไปขึ้นเดียวกับสิลปอื่นแล้วหายไปขึ้นเดียวกับสิลปอื่นแน่นี่คือการพิจารณาทางปัญญา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 ข้างนอกก็เห็น ช, าชาัดๆมันไม่เที่ยงกาเห็น ช, าชาัดสังขารภายในอะไรมันเที่ยงเอา้าสังขารร่างกายนี่มันก็ไม่เที่ยงก็กองทุกข์ก็หนักอนาตตาอย่าไปแตะต้องอย่าก็ยึดไปถืออนาตตาไม่ใช่ของใครทั้งนั้นอบอกแล้วพิเศษว่าเป็นตนนะสังขารมันปรุงขึ้นปรุงขึ้นเท่าไหร่มันก็ดับปรุงดีก็ดับปรุงชั่วก็ดับปรุงกลางๆ ก, ก็ดับ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 คำว่าเป็ญาณนี่ก็คือจิตกระเพื่อมรับทราบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายจากรูปเสียงกลินรสเครื่องสัมผัสที่ก็มาเกี่ยวข้องกันจิตเป็นผู้รับทราบในขณะที่สิ่งมันนั่นมาสัมผัสนี่ก็มีเพียงเท่านั้นพอทราบแยกประดับแต่พร้อมพร้อมพร้อมเนี่ยเอาสาระแก่สันอะไรสุดท้ายก็อยู่กับความรู้อันเดียวมีแต่ความรู้อยู่เท่านั้นอาการทั้งหลายที่รับทราบแบบนี้มันก็ดับไปหมดพอเป็นอาการ ไม่ใช่ตัวจริงตัวจริงก็คือาจเป็นผู้รู้พิจารณาให้ทรากชัดโดยลําดับกี่ตลบทบทวนไม่สําคัญถือเป็นการเป็นงานพิจารณานั้นเทินอยู่ด้วยการพิจารณาเทินอยู่ด้วยการเข้าใจาเทินอยู่ด้วยการถอดถอนโดยลําดับลำดับพิเรศ จ, จะขนาดไหนเหล่าก็ขนาดที่มีอยู่ภายในตัวนี้เท่านั้นเมื่อถอดถอนทุกวันพิจารณาทุกวันขุดค้นทุกวันทําลายไปทุกวัน มาเจ้ากิเลสที่ไหนมามากมากระกรพอมันหมดไปทุกวันเนี่ยด้วยสติด้วยปัญญาศรัทธาความเป็นขังเราสุดท้ายมันก็หมดข้างนอกมันก็หมดไปยึดอันไหนไหนกิเลสที่เกิดขึ้นจากความยึดความถือในสิ่งนั้นนั้นันก็หมดไปหมดไปเพราะปัญญาตามเผาตามไหมไปหมดเออแม้สุดท้ายมันก็ไม่มีทางไปทํานารวมอยู่ในหัวต่ออันสําคัญคือจิตเนี่ย ก็เผาเข้นมาตรงนี้อีกสุกดท้ายมันก็หมดมันหุมห่ออยู่ที่จิตโดยเฉพาะมาเผากันที่ตรงนี้ถูกไหม้ทิพายไปหมดด้วยตะปรรมคือความแผกเผาทีนี้อะไรเหลือะกิเลสสิ้นไปก็รู้ว่ากิเลสสิ้นไปกิเลสสิ้นไปหมดไปโดยสิ้นเชิงก็รู้ว่ากิเลสสิ้นไปโดยสิ้นเชิงผู้รู้ที่ว่ากิเลสสิ้นไปโดยสิน้นสิ้นเชิงนั่นและ คือผู้บริสุทธิ์แล้วถึงพ้นโทษไม่มีโทษอะไรอีกต่อไปผูนถึงจะอยู่ในขันกระทบรูปเสียงกลิ่นรถเครื่องสัมผัสก็สักแต่ว่ากระทบรับทรา บ, ราบไปเพียงเท่านั้นหมดความหิวโหวยเพราะถึงขั้นพอตัวแล้วความสุขที่เกิดขึ้นมาใน่านในขันก็ทราบเพียงความเกิดขึ้นของความสุขเรียกว่าสุขเวทนา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 สลัดปาดทิ้งทั้งหมดบรรดาที่เป็นสิ่งสมมติอันไม่เป็นที่ไว้ใจนี่แหละที่ท่านว่าปุญญาปาปะพิณบุคคลผู้มีบุญและบาปอันลาเสียแล้วฮะคำว่าบุญเป็นเครื่องสนับสนุนเรามาก็เช่นเดียวกับเราอาศัยบนไดาขึ้นถึงบนบ้านเมื่อขึ้นถึงบนบ้านแล้วบนไดากับเราก็หมดความหมายกันไปทางที่เราเดินมา สู่สถานที่นี้เมื่อถึงสถานที่นี้แล้วทางก็หมดความหมายหมดความจำเป็นสําหรับเราบุญกุศลที่เราสร้างมามากน้อยเป็นเครื่องสนับสนุนจิตจงกระทั่งให้ถึงที่สุดจุดหมายปลายทางบุญที่เป็นส่วนสมมุตนินี้ก็ปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงจิตถึงขั้นวิมุตตแล้วไม่รับทั้งบุญทั้งบาปจึงเรียกว่าปุญญะปลาปะไปานับุคคลเป็นผู้มีบุญและบาปบรรลัเสียได้แล้วนั่นคือพอไม่ต้องอาศัยอะไรเป็นเครื่องสนับสนุนต่อไปอีก ส่วนวิบากได้แก่ผลที่จะพึงตามสนองในเมื่อวิบากขัดขันเรามีอยู่ก็ต้องมีบุญอันนี้ต้องตามสนองกันไปเป็นธรรมดามเห็นอย่างพระพุทธเจ้าหรือสาวกก็มีอุปนิสัยต่างๆกันพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ไหนก็มีแต่คนสักการะบูชาแต้มไปหมดเนี่ยยุทธพรชศิวะรีท่านเป็นผู้มีอัตเลกขลามมากเพราะอะไร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 มีอยู่ต่างๆกันเช่นนั้นแต่เรื่องของวิมุตต์คือความบืดสุดแล้วเสมอกัรหมดท่านผู้ไม่มีอะเตเรกาล่าท่านก็ไม่เสียใจท่านผู้ไม่มีอะเตเรท่านผู้มีอะเตเรกาลามากท่านก็ไม่ดีใจท่านใน่ฟุ้งเฟอเหมท่านไม่ลืมตัวท่านทราบตามความจริงทั้งหมดนี่หมายถึงความพอภาณในจิตใจนี่แหละคําว่าบุญกุศลที่ส่กงกระซงไปอย่างนั้นเรื่อยๆตามอํานาจแห่งกุศลที่เคย สร้งมาตั้งแต่กลับใดกันใดก็ตามก็ตามมาสนับถนุมาเรื่อยๆท่านจะยินดีไม่ยินดีก็ตามบุญก็ต้องเป็นบุญตามสนับสนุนจนกระทั่งถึงเวลาสุดท้ายฉาลายทิ้งเสียวทิ้งเสหมดทั้งขันอันนั้นเป็นน้ำหมดปัญหาเพราะขันนี้เป็นความสมมุติเป็นภาชนะที่จะนับวิบากทั้งหลายซึ่งเป็นสมมุติเดีวยวกันวิบากบาปบุญที่ต้องรับในเวลาที่มีธาตุมีขันอยู่ท่านก็นยอมรับะ แต่พอผ่า น, นี้แล้วก็หมดปัญหาไม่มีอะไรที่จะติดตามอีกเลยท่าเนเนี่ยปริยพานเป็นผู้ดับสนิทในเรื่องสมมติทั้งหลายไม่ตากฏเลยนี่คือธรรมแท้ศาสนาสอนมาถึงขนาดนั้นเจ้าของศาสนาก็คือพระพุทธเจ้าได้ปรัสรุถึงธรรมขั้นนี้แล้วนำธรรมออกสั่งสอนโลกสั่งสอนหมู่ชน ให้ดำเนินตามตามอุปจรอุปนิสัยจิ็นิสัยของคนอุคติตันยูผู้สามารถที่จะรู้ได้เร็ววิปจิตตันยูถัดถัดกันลงมาเดินตามลอยกันไปเนยยะผู้ควรแนะนำสั่งสอนได้หลายครั้งหลายหลก็สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้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 ที่จะหาอยู่หายามารักษาให้หายพื้นนีเป็นไม่มีทางนอกจากเอาเข้าอเขาเรียกห้อง ICU ออไอซอยูเลยดังที่ว่านั้นตอนนั้นคอยอยู่เท่านั้นเองนี่เราไม่ใช่คนประเภทหนาอย่างน้อยก็ปทธรรมะโอ้บอย่างน้อยก่อนเนยยะเป็นผู้ควรแนะนําสั่งสอนไหมเราก็ควรแนะนําสั่งสอนเราได้เราได้รับทำของพระโพธิกามาตรั่งสอนตวเองก็พอแนะนำสั่งสอนตนเองได้ครูบาอาจารย์ก็พอสอนเราได้เนี่ย เป็นเนยยะคือควรทั้งนั้นควรมาพูดปฏิบัติตนได้เต็มตามสติกําลังของตนยังเรียกว่าเราอยู่ในมัชฌิมาพอต้องควรอยู่แล้วให้ดําเนินมัชฌิมามให้มีความสามารถแก่ก้าจนพรรุ ป, ปูโปร่งไปถึงขั้นปุกริตแห่งมัชฌิมาคือมัชฌิมาหลักธรรมชาติได้จากความพอตัวอันเป็นศูนย์กลางเสมอไม่มีการมีสมัยเข้าไปเกี่ยวข้องเลยเรียกว่าอาการนิกกิอาการิกธรรม อาการิกธิรรมกรมหมายถึงการทำโมปิโปที่ปรากฏสุพานาจิตยอย่างกระจ่างอย่างชนีดกระจ่างแจ้งอาการิกธิจิตไม่มีการะถานที่ใดๆที่เขไปเกี่ยวข้องหรือทรมาจิตใจนั้นให้เอ็นเอียงไปได้เลยนี่ผลใ น, นการปฏิบัติศาสนาเป็นอย่างนี้ขอได้นำไป พ, พิจารณาและการแสดงธรรมขอนสมวกวร